ในการนี้ได้อาศัยการเตรียมพร้อมในการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนเพื่อปฏิบัติศาสนากิจบทนี้ได้ใช้ถ้ารอซูลมีความอดทนต่อการทําร้ายของพวกมุชริกีนและจงแยกตัวออกจากพวกเขาอย่างสุภาพจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงแก้แค้นตอบแทนแก่พวกเขาเองต่อจากนั้นบทได้กล่าวถึงการสัญญาของอัลลอฮ์ถึงการลงโทษและการตอบแทนในวันกิยามะโดยที่ในวันนั้นจะมีความน่ากลัว และการตกใจซึ่งจะทำให้สีสาก ข, ของเด็กๆ ก, กลายเป็นสีขาวบทนี้ได้จบลงได้การผ่อนผันของอลัลลอฮแก่รอซูลของพระองค์และบรรดามุหมินผู้ศรัท ธ, ธาจากการยืนละหมาดตะหัดยุตในเวลากลางคืนเป็นความเมตตาแก่ท่านและบรรดามุหมินผู้ศรัทธาทั้งนี้เพื่อจะได้ให้ท่านรอซูลและบรรดาสาวกของท่านนาบีมีเวลาปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต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 ครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือลดน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อ ย, ออยรหรือเพิ่มกว่านั้นและจงอ่านอัลกุรอานช้าๆเป็นจังหวะถ้าจริงเราประธานพจนานองค์การอันหนักหน่วงแก่เจ้า แท้จริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ประทับและเป็นการอ่านที่ชัดเจนยิ่งแท้จริงสำหรับเจ้านั้นในเวลากลางคื น, น, นมีพระกิจมากมายแทกจริา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 และจงผ่อนผันให้แก่พวกเขาสักเล็กน้อยถ้าจริงนะที่เรานั้นมีโซ่ตรวนและกองไฟลุกโชนบ แแลลลละะอออาาาหารรทที่ติดคกงโษันเจบปวด ว, วันที่แผ่นดินและภูเขาจะสั่นสะเทือนและภูเขาจะกลายเป็นกองทรายไหลปรูป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 เราจึงได้ลงโทษเขาด้วยการลงโทษอย่างหนักถ้าพวกเจ้าปฏิเสธพวกเจ้าจะปกป้องตนเองต่อวันนั้นได้อย่างไรเล่าซึ่งมันจะทำให้เด็กๆ ก, กลายเป็นคนแก่เพราะความตกใจกลัวอ วันนั้นชั้นฟ้าจะแยกออกและสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยแท้จริงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็พึงยึดถือเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของพวกเขาเถิด إن ربك يعلم أنك تقوم أ د ن ى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علِم ألا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن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 وأقيم الصلاة و َ آ ت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لآفسكم من خير تجده عند الله ه و خ ي ر ا وأعظم أجران واستغفر الله إن الله غفور الرحيم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 ที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันณที่อลัลลอฮ์ซึ่งเป็นความดีและผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่ออัลลถ้์จริงอลัลละ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ